ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นมาบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติบูบชา และถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนาการนั่งสมาธินี้ให้ภากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นของง่ายไม่ยากให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อน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 ถ้าหว่าผู้ใดนึกภาวนาพุโทโธใจมันยังคิดไปมาในที่ต่างๆก็ให้นึกภาวนามรณะกรรมฐานมาลนังเมภาวิส ต, ติให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมรณะมรณาังก็คือความตาย แม่ก็คือเราเราทุกคนหมายถึงตัวเราทุกคนเกิดมาอย่างนี้แล้วต้องตายเอาความตายมาตัดถ้าผู้ใดจเจริญจนถึงมรณ ะ, ะกรรมาฐานแล้วอะไรอะไรเลิกได้หมดละได้หมดเพราะว่าความตายนั้นเมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะละทิ้ง สิ่งทั้งหลายหมดเอาอะไรไปไม่ได้ไม่ว่าพระภิกษุสามนเณนรอุบาสอุบาศิกาถ้าหากว่านึกมรณะภัยกรรมฐานนี้ได้จิตมันจะถอนได้หมดถ้าเอาความตายมาตัดแล้วตัดได้หมดเพราะว่า <c oughs> คนผู้ที่เขาตายไปเขาไม่ได้อะไรแม้แต่สตางแดงเดียวก็เอาไปไม่ได้บางคนเขายังทดลองดูว่ามันจะเอาไปได้ถึงเมืองผีได้ไหมเอาเงินบาทเงินเหรียญยัดใส่ปากให้ก็ไปถึงป่าชาเผาไฟแล้ว ก็ไปเห็นกองอยู่ที่กองฟอนกองไฟนั่นแหละบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้นี่แหละจึงให้พากันคิดอ่านภาวนาให้ดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันมิ่งมงคลตั้งแต่เช้ามาดินฟ้าอากาศก็ไม่กีดกันภาวนาของพวกเราทั้งหลาย ฝนจากเม็ดเม็ดหนึ่งก็ไม่ตกลงมากลัวพวกเราจะขี้เกียจภาวนาเทวาดาดินฟ้าเป็นกัก้นไว้ไม่ให้มาให้ฝนตกแต่ว่าให้แดดออกแต่เช้ามีแดดออกมาจนร้อน แสดงว่าออกพรรษามาหาปวัลนาปีนี้มีมิ่งมงคลหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะพระอาทิตย์ในวั น, ว, นวานนี้เวลาเที่ยงวันวันขึ้นสิบสี่ค่ำโบราณเขาว่าพระอาทิตย์ทรงกรด พระอาทิตย์ทรงกฎนี้ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดีบางคนไม่เคยเห็นคําว่าพระอาทิตย์ทรงกฎมันเหมือนเอากฎดาวไลาไปกั้งรอบดวงอาทิตย์ถ้ามองไปก็เหมือนกว่าพระอาทิตย์กั้นล่มสีแสงก็คล้ายๆ ก, กันกับลุ่ง รุ่มกินน้ำอันนี้เป็นว่าพระอาทิตย์ทรงกฎพระอาทิตย์ทรงกฎนี้ก็เป็ น, นมีดหมายอันหนึง่งคนโบราณเขานับถือ แสดงความเย็นมากคือฝนตกพรรษานีเวลาออกพรรษาฝนตกฝนตกแรงด้วยถ้าสังเกตวันฝนตกวันใกล้จะออกพรรษานีเรียวว่นตกแรงที่สุด นกระทั่งว่าท า, ทางน้ำไหลเปลี่ยนเป็นทางใหม่ไหลทุกขี่ทรายจนน้ำไหลลงมาที่ยอดน้ำเพื่อมาใช้นี่ไม่ได้ได้ไปปิดใหม่แสดงว่าฝนตกแรงมาก แรงมากเท่าไรก็แสดงความยอดเย็นมากเท่านั้นดีกว่าความร้อนความเย็นนะมันดีกว่าความร้อนความเย็นฝนตกเป็นมงคลแต่ว่าไปตกในกรุงเทพมหานครเขาว่าไม่เป็นมงคลเพราะเขาขี่รถ เขาเคยเคยมีแต่ความสุขความทุกข์เขาไม่ได้พบปะเหมือนชาวบ้านนอกบ้านนาพอไปโดนน้ำเขาก็เอาแล้วเป็นทุกข์ไปทางไหนเขาก็ขี่รถเบน่นรถอะไรสะดวกสบายทีนี้มันพอน้ำท่วมมาแล้วขี่บ่ได้รถน้อยขี่บ่ได้ต้องขี่ได้แต่รถทาหารรถ ลอใหญ่ๆรถประจำทางจึงไปได้รถเล็กรถน้อยรถนั่งนี่ขี่ไปจมน้ามาได้ตายเป็นแถวในถนนนนทางน้าท่วมแต่ยางทํามปองน้าท่วมไม่ได้มันเป็นปองพอฝนตกมามันไหลไปเลยลอดปองไปท่วมไม่ได้ ในนันคืนนี้วันนี้ให้เราทุกคนตั้งใจให้เต็มที่อย่ามีความย่อหย่อนท้อถอยผู้ใดองค์ใดพระเนนองค์ใดที่คิดว่าจะสึกหาลาเพสก็ให้ยั้งไว้ก่อนผูดเตรียมจะสึกเร็วจนไม่โกนผมอลยเตรียมไว้ก่อนภาวนาเสียก่อนการสึกหาลาเพสเป็นเรื่องเล็ก ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องภาวนาละกิเลสให้ได้ถ้าเราทุกคนตั้งใจภาวนาละกิเลสแล้วนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ความคิดสั้นของคนที่ไม่ภาวนาก็คิดว่าการซึการาเพรไปสู่คารวะาญาตโยมนั้น มันเป็นของดีมันคิดไปนั้นแต่ในวงกลับ <c oughs> การสึ้หาลาเพศแต่นั้นไม่ใช่มันการดีมันไปเพิ่มความทุกข์อีกหลายอย่างหลายประการนั้นที่เราว่ามีความสุขนั่นแหละมันเป็นความทุกข์ในทางพุทธศาสนา กล่าวง่ายๆก็คือว่ามีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายแล้วก็มีความสุขแต่เราหาลู่ไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนแสนสิ่งที่มนุษย์สมมุติว่าเป็นสมบัติอันมีค่ามีราคามันมีภัยอันตรายอยู่ในตัว ถ้ามีเงินทองมากไปมาทางไหนเขาขโมยเขาลู้ว่านายคนนั้นยายคนนั้นมีสตางค์มากเขาจะทุบหัวบ้างถ้ามันรวยมากก็จับไปไถเอาสตางค์อันตรายมันมีมากในทรัพย์สินเงินทองโลกียะทรัพย์ของโลกโซ่ โลกุตลาทรัพย์ไม่ได้โลกุตลาทรัพย์นั้นไม่มีใครที่จะมาลักขโมยต้นจี้ก็ไม่มีมีแต่เขาจะเอามาให้โลกุตลาทรัพย์มีแต่ผู้จะมาให้ให โลกีนั่นเป็นว่ามีแต่ผู้จะมาแย่งนับเข้าก็ฆ่าตัวตายในนั้นผู้ที่คิดว่าจะสึกหาลาเพศไม่ต้องการละกิเลส ก, ก็ให้หยุดเสียตั้งใจภาวนาไม่ให้คิดพลั่งเผลือง่วงเหงาเหานอนตั้งแต่นี้ไปจนสว่างก็อาจสามารถจะตัดอารมณ์นี้ได้เด็ดขาด ในใจของตัวเองเพราะอะไรก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธการท่านตัดท่านละให้เราท่านทั้งหลายเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะว่าถึงเป็นผู้มีสมบัติโลกียสมบัติก็ไม่ผิด ตำแหน่งหน้าที่ของพระพุทธเจา้าถ้าอยู่ในบ้านในลือนก็จะได้เป็นเท่าพญามาหากริย์เป็นถึงพระเจ้าจากักรพรรดิราธิราชครอบครองมาหาสมุทรทั้งสี่ในโลกที่เราไปมาหาสู่กันนี้ได้แต่พระองค์ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กสู่ออกบรรพชาภาวนาละกิเลส ให้เดตัดสลูปเป็นปัะพุติกาจะได้ลื่ขนมนุษย์ผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีให้ไปถึงฝั่งคือนิพพานสอนเทวดาอินพรหมทั้งหลายให้ไปสู่พระนิพพานพระองค์ก็เป็นผู้สเสด็จเดินหน้าไปก่อน ก็สมความมุ่ง ม, มา่ตา้ถนาพระองค์ก็ได้ตรัตสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเดินหน้ากว่ามนุษย์หลือเทวดาพระองค์ไปถึงนิพพานก่อนใครๆที่ว่าตรัดสรู้พระองค์ลนะความโกรธความโลภความหลงได้หมดสิน้นละกิเลสลาคะโทสะโมหะได้หมด พร้อมทางวาสนาอาจินกิริยากายวาจาอันใดก็พระองค์เลิกได้ละได้ผลที่สดุดพระองค์ก็มีความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยเหตุการณ์ใดๆเมื่อตรัสสุลุแล้วอยู่ในโลกเหล่านี้สี่สิบห้าปีสี่สิบห้าพรรษานั้น พอพอดีอายุพรรษาของพระองค์ก็ได้แปดสิบปีบริบูรณ์ในวันวิสาขบูชาเกอนหกพผ่นก็ดับขันเข้าโซนารุภานอันนารุภานมุนิภานนั้นความจริงก็คือว่าผู้ใดไปถึงจึงจะรู้วันนิพพาน ยังไปไม่ถึงยังละกิเลสไม่ได้ก็ได้แค่นิพานสมมุตินิพานบัญญัตินิพานพูดกันไปเท่านั้นนิพานจริงๆนั่นไม่ใช่ที่เราพูดฟังกันต้องปฏิบัติภาวนาให้ดีทำใจให้สงบตั้งมั่นยังจิตใจให้เกิดปัญญาวิชาความรู้ ความฉเฉลียวฉลาดสามารถอาถารไม่ลหลงไหลไปตามโลกไม่ลหลงไหลไปตามรูปเสียงปิดลดโพธพะธรรมลมจึงจะไปสู่นิงเงองนิพพานได้ทำให้อย่างนั้นก่ออยู่ในโลกนี่แหละทุกๆุกหลักอยากลำบากลำคาญวุ่นวายภายนอกยิดใจไม่สงบระ ง, งับเป็นทุกข์ในโลก ทุกขังโลเกเป็นทุกข์ในโลกห้นั้นให้ภาวนาทมจิตทมใจในคืนนี้ให้มันเด็ดขาดลงไปกิเลสกิเลสนี้ที่มันรุนแรงพาให้คนเราโกรธโลภหลงอวิชชาตันหาวุ่นวายอยู่นี่เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจภาวนาจริงๆ ถ้าเราทุกคนตั้งใจขึ้นมาไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเด็กหนุ่มแก่นักบวชนักบ้านมันถึงพระ น, นิพพานได้ดูในครั้งพุทธกาลเด็กเด็กอายุเจ็ดขวบท่านก็ภาวนาถึงนิพพานได้แก่แกจนกระทั่งจะไม่มีใครบวช ด, ด้ให้แต่ท่านภาวนาท่านก็ถึงนิพพานได้ เพราะว่าท่านตั้งใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลท่านเลียนแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์มีแบบแผนตำนานอยู่ดูเวลาพระองค์สเสด็จไปภาวนาที่ล่มไม่โพนั้น พระองค์นั่งสมาธิภาวนาผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเพชรดังที่ได้ตวนเราท่านทั้งหลายให้นั่งขัดสมาธิเพชรนี้แหละพระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอาเมือขวาวางทับมือมือซ้าย พระองค์ตั้งสัตว์อธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะนั่งให้ได้ตรัสโพระอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆจะไม่ห่วงในชีวิตจิตใจถ้าหากว่า ไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่ลุกจากที่นี่เป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อชั่วไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนี้ต่างหากว่าสู้กิเลสมานสังขารมารในใจไม่ไหวจะไม่ลุกไปมาเหมือนแต่ก่อน คือพระองค์เอาตายสู้ในวันคืนที่จะได้ตรัสรู้นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสละชีวิตหรือว่าเอาชีวิตแลกเอามรรคผลนิพพานมาเอาความตรัสรู้เป็นพระพุทธยาคือนั่พระทัยใจพระองค์ไม่ท้อถอยแล้วยอมตาย หรือว่าตายดาบหน้าไม่กลับไปตายดาบหลังเมื่อพระองค์ละลึกถึงทานบาลมีศีลบาลมีเนคขมบาลมีปัญญาบาณมีบริยบาลมีขันติบาลมีสัจบาบามีอธิฐานบาลมีเมตตาบาลมีอุเบกขาบาลมี พระองค์บำเพ็ญมาสีอสงไข่แสนมหากัมอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงพระองค์ทำได้ปฏิบัติตามบา ร, รมีสิบเป็นบา ร, รมีสามสิบทัด บ, บริบูรณ์นั่นพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่มีความท้อถอยไม่กลัวตายด้วยเพราะพระองค์งองเห็นว่าจะกลัวเมื่อถึงเวลาตายมันก็ตาย ไม่กลัวเมื่อถึงเวลาตายมันก็ตายคนเราเกิดมาในโลกนี้ความตายไม่มีใครจะหลบหลีกได้ในขณะเดียวความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ภัยต่างๆก็หลีกไม่พ้นเกิดมาแล้วจะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้ เกิดมาแล้วบางคนตาไม่ต้องการเป็นคนตาบอดก็เป็นคนตาบอดไปได้หูไม่หูวกเป็นคนหูหนวกไปก็มีการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่เหลืออยู่แต่เวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นแล้ว่ทุกลมหายใจเข้าออก ตั้งใจภาวนาพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกจริงๆเมื่อดวงจิตดวงใจของแต่และบุคคลนั่นแหละมีกำลังขึ้นมาไม่กลัวตายอย่างพระพุตธเจา้ามรรผลุนิพพานย่อมเป็นของเราทุกคนแต่ถ้าเราเป็นคนกลัวตายอยู่ไม่ได้ เพราะมรรคผลนิพพานนั่นพระพุทธเจ้าเอาชีวิตแรกเอาแม่พระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธการท่านก็เอาชีวิตแรกเอาชีวิตแรกแล้วก็ได้ถ้าไม่ยอมเอาชีวิตแรกแล้วก็ไปไม่ถึงไปไม่หลอดไม่มีความเจ็บปวดทุกเขวเวทนาอย่างใดอย่างมันก็ไปคล้องอยู่แค่นั้น ถ้าเอาชีวิตแล้วอันแรกคือว่าเราจะไม่ท้อถอยเรื่องตายเอาไว้ข้างหลังไม่ต้องเอาไว้ข้างหน้าถ้าใครเอาความตายไว้ข้างหน้าละ่ะกลัวตายอยู่ตลอดเวลาไปไม่ถึงไปไม่ได้เพราะว่าพระมุขพระนิพพานมื่งนิพพา น, น โบราณาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงตั้งไว้ว่าผู้จะไปถึงเมืองนิพพานได้จะต้องไปถึงฝากฝากหน้องหมาตายว่าอย่าง้นคำว่าหน้องหมาตายก็คือว่าไกลที่สุดสละชีวิตแรกอ๋ เหมือนหมามันตายอย่างนั้นไม่ห่วงชีวิตเราบำเพ็ญทานมาเต็มที่แล้วจะไปวันไหวทำไมเรารักษาศีลมาเต็มที่แล้วจะวันไหวอย่างไรเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่เพื่อความพ้นทุกข์ไปวันไหวทำไมให้ดวงจิตดวงใจนี่หละ ก็ทำมาปีติยินดีในธรรมวินัยสัตว์ศาสนาคำสอนของสัพพิทยเจ้าเต็มที่ว่าเราจะต้องเสียสละทุกอย่างจึงจะได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานถ้าเราไม่เสียสละจริงๆเราก็ได้แค่เล็กๆน้อยๆ ไม่สมบูรณ์แบบเราต้องเสียสละให้หมดมีอะไรอะไรก็เลิกละออกไปให้หมดสิน้นเดี๋ยวว่าข้ามไปข้ามศพไปข้ามตายไปข้ามเก็บไข้ได้ป่วยไปให้ได้าการภารวนานี่ ไม่ได้หมายว่าไม่ให้ร่างกายแก่ชราและไม่ให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่โรูประคันก้อนธาตุกรรมฐานอันนี้นั้นเมื่อเกิดมาเป็นตัวตนคนเราอย่างนี้แล้วไม่ว่ายิงไม่ว่าชายไม่ว่าขรือหัดไม่ว่านักบูตพระภิกษุสามมันเนนพระขาวนางชีเหมือนกันหมด แกชราไปทุกวันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ภาวนาจึงไม่เห็นความจริงแล้วร่างกายสังขารนี่เราเยียวยาพยาบาลอยู่ตลอดกาลดตั้งแต่เราเกิดมาเมื่อยังกินเข้าไม่ได้ก็ดื่มน้ำนมแม่ สมัยนี้ก็ดื่ม น, นมงวบ้างก็ใหญ่ขึ้นมาโดยลำดับอันรูปร่างกายนี้เนี่ยมันเหมือนกับผีหลอกตัวเล็กๆเกมื่อมีอาหารรอเลี่ยนก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นคนใหญ่ เมื่อยายหมดขีดแล้วทีนี้ก็หมดความใหญ่ลดความใหญ่ลงมาเนื่อหนังมังสังเหี่ยวแห้งสํารุดสุดโทมไปเป็นธรรมดาทีนี้มันก็ถึงขั้นมันจะดับแตกดับตายเป็นกฎธรรมดาของโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าผู้ภาวนาทาใจให้สงบตั้งมั่นแล้วย่อมมองเห็นเอง ในจิตใจนั่นเองมองเห็นชรลาความแก่เป็นอยู่ตลอดเวลาใครจะห้ามยังไรมันก็ไม่ฟังอันความเจ็บไข้ไดต้ตัวมันก็มีอยู่ในตัวนั่นแหละเมื่อมันยังไม่กำเลิกสื่อสารกะว่าเราอยู่ดีสบายคงไม่ตายง่าย ที่ไหนได้คนดีๆอยู่เดี๋ยวก็ได้ข่าวตายไปแล้วจะไปทวงเอากับพยามัจจุราชคือความตายก็ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมดาของลูกนามกายใจของมนุษย์เกิดมาแล้วมันต้องตายแน่ๆใครแก้ไม่ตก มีทางแก้อยู่กับแก้ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเดินจมกรมภาวนาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอยังจิตใจให้มีความสงบตั้งมัน่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติจนทุกขณะทุกเวลาจิตใจสงบระงับเยือดเย็นสบาย แล้วจิตใจดวงที่สงบระงับเยือกเยนสบายนี่แหละจะต้องเจริญปินิดพิจรณาให้เห็นตามความเป็นจริงคือว่านามรูกกายใจตัวตนคนเราทุกคนนี่แหละไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปรู้ื่อเราอยู่ในท้องแม่คลอดออกมาตัวน้อยนิดเดียว ทำไมมันใหญ่โตขึ้นมาจนกระทั่งไปมาด้วยตนเองทำมาหาเลี้ยงชีพวุ่นวายอยู่ในโลกนี้ผลที่สุดก็ต้องชำรุดสุดโสมถึงความแตกความตายเป็นธรรมดาของรูปร่างกายอันนี้เขาเป็นไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองจิตเราอย่าได้วันไหวสันสะเทือน ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสในใจให้มันหมดสิ้นไปกิเลสความโกรธอย่ามายึดมาถือไว้เลิกละออกไปให้หมดสิ้นกิเลสความโลภโลภจิตในใจละให้มันหมดสิ้นมันจะโลภไปถึงไหนโลภไปถึงวันตายเท่านั้น ตายแล้วมันก็เอาอะไรไปดักได้บ้างไม่มีเนื้อก็กินไม่ได้หนังก็ูนอนไม่ได้เมื่อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแขนคออย่ามางัวยึดมั่นถือว่นว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าถามมันดีๆว่าเป็นตัวกูของกูที่ไหน บอกได้ว่าฟังหรือว่าอยากแก่ลาเลยข้าพเจ้าไม่ชอบมันก็แก่ชลาไปผมงอข้าก็ไม่ชอบมันก็งอกไปจะย้อมให้มันดำมันก็ดำได้นิดหน่อยเดี๋ยวมันก็งอกขาวออกไปอย่างเก่าแหละพราะว่า น, นาทาความเพียรละกิเลส เอากิเลสราคาให้มันหมดไปเอากิเลสโทสะให้มันหมดไปละกิเลสโนหะให้มันหมดไปสิ้นไปให้ดวงจิต ด, ดวงใจใสสะอาดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถปาราความเพียรภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจ เราเกิดมาแน่วความตายมันแขวนคอไว้ตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกจิตโมหะเราจะมาลุ่มหลงงัวเมาหัวเลาะร้องไห้อยู่นี่หรือไม่ดำนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัตฏสงสารจะมาติว่าโลกนี้มันเป็นทุกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ จิตเราหลงมาติดอยู่ในโลกไม่ใช่โลกมันมาติดเราเรามาติดโลกคือจิตนี่แหละคาว่าเกิด <c oughs> ไม่ได้หมายเพียงแต่ว่ารูปประขันร่างกายมันเกิดตัวเกิดจริงๆก็จิตฟุ้งซ่านลำขานจิตยึดมั่นถือมั่นในลูกในเสียงในกลิ่นในรสในโพอพพะธรรมาลม จิตที่มีกิเลสลาคะตัณหาจิตที่มีโลภะตัณหาจิตที่มีโทสะตัณหาจึงได้มาเกิดมาเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่มันก็เต็มไปด้วยทุกอย่างนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวันนี้คืนนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งการอยู่จำพรรษา เนเวลาจะต้องละกิเลสความโกรธนะมันสุดท้ายไม่ต้องมาโกรธกันอีกไม่ต้องมาโลภอยากได้อะไรอีกไม่ต้องมาหลงกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายอีกหลงมาตั้งแต่อเมกชาตนับพบนับชาติไม่ถ่วนแล้วแล้วก็ยังจะหลงต่อไปอีกเป็นเช่นนี้นะับว่าเป็นคนไม่มีปัญญา ไม่ฟังธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าให้ดีไม่นําไปไก่กลองพิจารณาให้เข้าใจก็มาถือเอาแค่ความสุขความทุกข์อันบังเกิดมีขึ้นในรูปในนามนี้ไม่รู้ลึกซึงเข้าไปจนว่าตัวกิเลสในใจเนะี่ยความไม่รู้จักความไม่รู้แจ้งความไม่รู้จริงจิตใจไม่สงบ ี่เล็ดมานขันธ า, านมันก็โกหกพกลมผูกมัดรัดหรือไงเราทุกคนติดโยข้องโยในโลกอันนี้มาสำคัญผิดคิดว่าเราจะอยู่ได้ชั่วฟ้าดินสลายแต่ที่ไหนได้คนเราที่เกิดมานี้บางคนพอเกิดมาวันนั้นตายวันนั้นก็มี เกิดมาอาทิตย์นั่นตายอาทิตย์นั่นก็มีเกิดมาเดือนนั่นตายในเดือนนั่นก็มีเกิดมาปีนั่นตายในปีนั่นก็มีสองปีตายสามปีตายสิบปีตายยี่สิบปีตายสามสิบปีตายสี่สิบปีก็ตายได้ห้าสิบปีก็ตายได้หกสิบปีก็ตายได้เจดสิบปีก็ตายได้แปดสิบปีก็ตายได้ เก้าชิปีก็ตายได้ร้อยปีก็ตายได้ร้อยร้อยปีก็ตา ย, ตายความตายมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อย่างไรหายใจเข้าไปหายใจออกไม่ได้ก็ตายหายใจเข้าไปหายใจออกมาที่เราเห็นอยู่นี้ก็ตายได้ทุกลมหายใจ ด้วยเหตุนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าทุกๆพระองค์ดูให้ดีแค่ว่าลมหายใจที่สูดเข้าไปแล้วทับก็ติดขัดลมหายใจไม่ออกใครอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ตายถ้าลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตาย เวลาจะตายเราจะไปให้คนอื่นไปตายกับเราก็ไม่ได้เวลาเพื่อนมนุษย์เขาจะตายเราจะไปขอตายกับเขาก็ไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันคนละชีวิตเมื่อยังไม่ได้เวลาตายก็ตายไม่ได้ถ้าได้เวลาตายแล้วตายไปเลยเอาอะไรไปไม่ได้ความห่วงความอะไร สามีของเราภรรยาของเราลูกของเราหลานของเราพ่อของเราแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราเหล่านี้ทั้งหมดเอาไปไม่ได้ดูคนอื่นเขาตายเอาอะไรไปได้ลอกสวนไรนาถิ่นฐานบ้านเรือนตึกหลามอะไรเขาเอาไปได้ที่ไหนตายแล้วก็ทิ้งไว้แค่นั้นคนอื่นยังไม่ตาย กิเลสเขายังไม่หมดก่อนเส้อต่อไปเอากิเลสต่อไปอีกก็ไปถึงแค่วันตายเหมือนกันไม่มีใครเลยวันตายไปได้บัดนี้สมควรแล้วที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดูชาภาวนาเอาให้มันจริงเสียที ฆ่ากิเลสในใจของตนให้ตายฆ่ากิเลสลาคะโทสะโมหะในจิตของตัวเองให้มันหมดไปสิ้นไปในคืนวันนี้อย่างมันกลัวตายอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่กลัวตายจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวก ของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาตลท่านไม่กลัวตายภาวนาจนเลิกละอิเลตลาคะโตสะโมะอาเอาจนหมดไปสิ้นไปท่านก็ไม่ตายเมื่อความตายมาถึงเข้าได้การเวลาก็ตายไปตามหน้าที่ของสังขารทั้งหลายท่านไม่กลัวท่านไม่สะทกจะท่านญาติกลัวต่อภครอันตราย หรือว่าพระอริยสงสารกเจ้าทั้งหลายท่านไม่หนีจะมีภัยอะไรบังเกิดมีขึ้นท่านก็ไม่วิ่งหนีไม่หนีเพราะอะไรก็กรรมเป็นของของตัวถ้ามันจะถึงขั้นตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายกินอาหารอยู่ดีๆก็ตายพูดจาปลาัยได้อยู่ก็ตาย ความตายนั้นไม่มีใครจะไปแก้ได้คำว่าตายเขาหมายเพียงรูปร่างกายนั่นเองมันแตกมันตายตายไม่ได้เกี่ยวกับจิตจิตนี้เป็นของไม่ตายคือว่าจิตมันไม่มีตัวเป็นเหมือนอากาศเหมือนลมอย่างนั้นแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายของมนุษย์ในโครงร่างนี้ ก็พาลูกร่างกายมานุษย์นี่แหละทําไปดีทําดีทําชั่วทําบุญทํำบาปผลที่สดุดลูกร่างกายมันมีขอบเขตมีเวลาแตกทําลายมันก็แตกไปทําลายไปแต่อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าจิตมันตายจิตมันไม่ได้ตายเจ็ดมันเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศ ใครจะไปทําให้จิตตายได้เอาดาเอาเมฆพระฟันมันก็ไม่ตายเอาไผ่เฝามันก็ไม่เจ็บเอาลมพัดมันก็ไม่ไปมันมีอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละโลกประคันนี่เป็นที่อยู่ของจิตอาศัยอยู่ในโลกประคันดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจ เราต้องตั้งใจกำหนดพิจารณาเอาให้อยู่หมัดอยู่มืออย่าไปอ่อนข้ออย่าไปท่อถอยเราพุทธเจ้าท่านไม่ท่อถอยพระสงฆ์สาวกอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลท่านไม่ท่อถอยท่านตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจนถึงสุงนิพันธ์ เมื่อลูกแตกนามดับท่านก็เข้าสู่นิพพานที่วันนิพพานนางปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขนิพพานเป็นสุขไม่ใช่ว่าสุขเพราะได้เห็นลูกได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นลิ้มรสกายตูกต้องโภตพะใจคิดทำอารมณ์แล้วก็มีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นสุขก็คือว่า ท่านไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเขายึดเราไม่ยึดอว่ า, าตุสี่ขันธ์หอาญตนะทั้งหลายนี่เป็นตัวเราเป็นของเราท่านเห็นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันหลงหลงผิดคิดว่าเป็นตัวตนจึงได้มาวนเวียนอยู่ในโลกในวัฏสงสารอันแสนทุรกันดานนี้อยู่ ผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนามาลู่แจ้งแทงตลอดว่าลูกนามไม่เที่ยงจริงอย่างนี้ลูกนามเป็นก้อนทุกเป็นกองทุกขอย่างนี้ลูกนามไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้เมื่อไม่ใช่ตัวตนของเราล้วทําไมจิตจึงมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของของเรา ยึดถือแล้วได้อะไรก็ไม่มีอะไรได้ได้แต่กิเลสลาคะได้แต่กิเลสโทสะได้แกกิเลสโมหะเป็นไปหมดเมื่อมีตัวกิเลสอันนี้เกิดขึ้นมาก็มายึดมาถืออ่ะวุ่นวายอย่างที่โลกเขามุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละเราต้องภาวนาทําความเพียรละกิเลสในวใจของเราให้ได้ ถ้าเราละกิเลสความโกรธไม่ได้อย่าไปถอยความผิดตั้งใจลงไปภาวนาเรื่อยไปไม่ต้องท้อแท้อ่อนแอในหัวใจพระพุทธเจา้าพระองค์สั่งให้เราไม่ต้องท้อถอยตะลุยกิเลสราคะละกิเลสราคะให้หมดไปท่านให้ตะลกิเลสโทสะ ความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจต่างๆตะนุ่งเลิกละความกโกรธนั้นให้หมดสิ้นไปไม่มายึดถือแค่ความโกรธไม่มายึดถือแค่ความโลภไม่มายึดถือแค่ความหลงท่านไม่หลงท่านไม่หลงอีกต่อไปหลงมาแล้วก็แล้วไปหลงใหม่ไม่ต้องมาอีก ไม่ต้องยึดเอาอีกท่านลูกแย่งในจิตใจของท่านชื่อว่าเข้าถึงพระธรรมผู้ใดเห็นธรรมเห็นเรา ต, ตาคตธรรมะของกระองค์ที่พระองค์ทรงตัดไว้สวากาโตภะวตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาตเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสันติกโกต้องเห็นเอง อะกาลิโกเมื่อเห็นเองก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาภาวนาเมื่อใดเวลาไหนละกิเลสได้ทุกเวลาฆากิเลสให้ตายคายกิเลสได้ทุกเวลาเอหิปัจจิโกพระธรรมวินยัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่น เป็นการชี้แจงแสดงให้รู้ได้ด้วยตนเองว่าเอหิจงดูกองทุกกองภัยมีเต็มกายเต็มจิตเอหิจงดูปัจจิโกจงเห็นจงดูจงเห็นว่ามันทุกข์หรือมันสุขถ้าเห็นมันจะได้แจ้งสว่างถอนตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไป ด้วยปัญญาอันชอบด้วยมรรคผลนิพพานอันพระพุทธเจ้าทรงตัดไปแล้วเราต้องทำให้ได้ทำให้ถึงอย่าไปทอดแททอ่อนแอว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้มันจะตายหรือตายก็มันตายไปสิเอากิเลสให้มันตายไปร่างกายมันไม่ตาย กิเลสราคะกิเลสโทสะนี่แหละผู้ใดเลิกได้ละได้ยิ่งเป็นยาวิเศษละกิเลสให้เบาบางหมดสิ้นไปเป็นจิตใจอันไม่วุ่นวายภายนอกแล้วก็วันนี้ทุกๆคนถ้าหาว่าตัดละกิเลสความโกรธไม่ได้อย่าไปหลับไปนอน ตัดละกิเลสความโลภโลภะกิจในจิตใจไม่ได้อย่าเป็นนอนภาวนาเอาให้มันตลอดแจ้งตัดกิเลสละกิเลสความหลงในใจไม่ได้อย่าไปท้อถอยพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวในใจนี่แหละผู้ใดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาไม่ท้อถอยเดินหน้าไม่ต้องถอยหลัง ก้าวไปไม่ต้องหยุดก้าวไปก็คือว่าภาวนาอยู่ในใจนั่งก็ภาวนาพุโทโธนอนก็ภาวนาพุโทโธยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุโทโธภาวนาตายอยู่ทุกเวลาเองคนเรามันนั่งอยู่ดีๆก็ตายได้นอนอยู่ดีๆก็ตายได้เวลามันจะตายมันไม่ได้มีการบอกล่วงหน้า ไม่มีการยกเว้นถึงเวลามันก็ตายเอาตายเอาเมื่อมันผู้อื่นเขาเจ็บเขาไข้เขาตายมันยังอยู่ห่างไกลเมื่อถึงเวลาตัวเราล่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละมันเจ็บขึ้นมาแล้วแม้ยังไม่ถึงขั้นตายเจ็บมันก็เด่นวุ่นวายแล้วเหตุนั้นผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน จงเป็นผู้ยกจิตใจเน่ให้มีภละกำลังให้มีความสามารถอานฐานเต็มที่ถ้าจิตใจผู้รู้อยู่ภายในมีความสงบตั้งมัน่นไม่วันไหวไม่มีอะไรกลัวความกลัวย่อมหมดไปความรุ่มหลงมัวเมาต่างๆย่อมหมดไป เหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ผองใสสะอาดปราศจากมนทินโทษเป็นผู้มีจิตใจอันหนักแน่นเหมือนพื้นปะสุธาหน้าแผ่นดินไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้สั่นสะเทือนได้นี่แหละเราท่านทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติชอบในทางพุทธศาสนานี้ จะต้องรวมกำลังในใจของตนของตนรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวสงบประงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติมีจิตใจอันเข้มแข็งสามารถอาถานไม่ไปยึดเอาความกลัวเนตกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวกลัวเป็นกลัวตายไม่เอาทั้งนั้น เวทิตโพพึ่งรูกแจ้งปัจจตังจำเพาะจิตวินโูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องโอปะญิโกโน้อมเข้ามาเตือนใจของเราได้ทุกเวลาไม่ว่าเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนกาตา็ตามเตือนตนด้วยตนเองปฏิบัติธรรมละจิตใจด้วยตนเอง ยังจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะให้ได้จนพระกำลังความสามารถอาฐหนเต็มที่เมื่อพระกำลังความสามารถอ า, านหนรเต็มที่แล้วจ็ตใจก็จะแจ้งใสหมดจดสะอาดปราศจากมนทินโทเมจิตใจอันสามารถอาหาัจริง เลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิให้หมดสิ้นไปนั่นแหละสาวกสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสาวกเพียงพูดได้คิดได้เท่านั้นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆละกิเลสในใจให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไป ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดชาติยึดตระกูลมายึดอะไรต่อมีอะไรไม่มีท่านเป็นผู้เลิกละปลดปล่อยหมดทุกจิิงทุกอย่าง็นนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้รับความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยพระกาละชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวั ต, ว, ตวันตรยโยสุขีที่ขายุโกภะวะอะิวาธานาสีริสนิตังวุธาปจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติ อายุวันโนสุ ข, ขังผาลัง